ฟังธรรมะด้านปฏิบัติวางใจกันทำความสงบของใจเพราระยะฟังธรรมะเราก็ไม่มีนาที่ทำการงานอะไรไม่มีการพูดไม่มีการยุ่งเกี่ยวกับอะไรการงานที่ยังเหลืออยู่ก็ อ, อย่าเอามานึกคิดระยะที่ฟังธรรมะมาอย่างนั้นจิตจะไม่สงบ ใหเย็นเย็นให้ทําจิตให้สงบอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับสัญญาอารมณ์ต่งางอาดีตอนาคตกําหนดอยู่ในปัจจุบันอย่ใจในากําหนดบ ท, ทพุโทโธกับพุโทโธพุทโธอยู่นั้นให้จิตอยู่กับพุโทโธพุธโทโธอยู่กับจิตเมื่อจิตได้รับสัมผัสจากอัตธรรตั้งสติบริกรรมอย่างนั้นจิตของเราจะรวม เราจะเห็นความเยือกเย็นของใจจะเห็นอัิจันท์ในการประฤปฏิบัติอธรรมดฉะนั้นการฟังธรรมจึงควรทําความสงบของใจให้ได้ทำเห็นความสงบเยือกเย็นทางใจแล้วคือการฟังธรรมคิดุงไปอย่างนั้นคิดุงไปอย่างนี้เราผูกฟัง เมื่อจิตมาอยู่กับตัวจิตวุ่นวายแสสายไปตามสัญญาอารมณ์อยู่คว <c oughs> ามเหนื่อยของกายก็จะเกิดขึ้นเจ็บนั้นปวดนี้ทั้งๆ ท, งที่ระยะเวลาก็ไม่ยาวนานเท่าไรแต่ถ่าว่าจิตใจไม่เรื่องใสไม่ยินดีไม่มีความสงบมันอาจจะเกิดคิดตึงไปต่างๆแล้วก็ทำ เรื่องของกายให้เกิดความเหน็ดเหนื่อยเหนือ่อยหิวดังนั้นตอนฟังธรรมจึงควรกำหนดจิตของตนให้อยู่ในอารมณ์อันใดอันหนึ่งให้สงบท่านจะเขตอะไรให้ฟังนั้นเป็นหน้าที่ของท่านเราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวเพียงจต่เราตั้งความสงบเอาไว้ธรรมะที่สันแสดงออกไป ก็จะปลอมจิตใจของเราให้เขาสู่ความเย็นความสงบเพราะธรรมะเป็นเรื่องที่กําจัดกิเลสตัณหาเป็นเรื่องที่ทําจิตของปู่สะดับรับฟังให้ได้รับความสุขความสบายธรรมะไม่สแสดงแก่โลกภัยคือไม่นำกิเลสมาแสดงนําเป็นเรื่องของธรรมมาแสดงสู่ฟัง ธรรมนั้นไม่มีอยู่ในที่อื่นพูดถึงธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนอยู่ในกายในวาจาในจิตของเราโดยกันทุกคนหนน่ส่วนาำรับตำราของธรรมนั้นมีมากแต่เมื่อสรุปลงแล้วก็คือกายวาจาจิตเท่านี้เป็นผู้ที่จะประพฤติปฏิบัติเป็นที่จะพูดจะเปะจกำจัดกิเลสตัณหา มันไม่ได้เกิดขึ้นมาจากที่อื่นความชั่วโลค ก, ก็ดีโกรธก็ดีหลงก็ดีมันมีอยู่ในตัวของเราส่วนมรคลธรรมวิเศษคีอพระพุทธเจ้ารู้เห็นก็ไม่ใช่ว่ามีอยู่ที่อื่นมีอยู่ที่จิตของเราอีกเหมือนกันแต่นั้นตัวของเราท่านทุกคนจึงเป็นก่อนของธรรมะควรตี่จะตที่นิพพานา้เห็น ไหเย็นให้สงบในอย่างนั้นก็จะไม่เห็นอัศรจรรย์นในเรื่องของศาสนาจะกล่าวตูดูมินว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นโมฆะในเกิดสาระอะไรในการประปฏิบัติปล่อใจของตัวในอยู่กับอัดกับรรมมีจะคิดถึงเรื่องนอกความสงบสงดัด ไม่เกิดขึ้นไม่เห็นขึ้นจิตไม่เย็นจิตไม่สงบกว่าไม่เห็นความสุขความสุขของจิตเป็นความสุขที่สำคัญผู้ที่เห็นเด่นชัดในจิตในใจแล้วท่านไม่เห็นสิ่งใดในโลกว่าจะเป็นของประเสริฐดีเศษเท่ากับความสงบของจิต พระผู้ใจเจ้าหรือสาวกในสมัยพุทธกาลท่านก็เหมือนพวกเราท่านก่อนที่ยังไม่ประพฤติปฏิบัติอัดธรรมความฝูงจมท้องใจความผิดข้องท้อ ง, องใจในวัตถุต่างๆมีเป็นธรรมดามาอย่างนั้นท่านก็ไม่มีภรรยาไม่มีสมบัติแต่เมื่อท่านมาประพฤติอัดธรรมรู้เห็นเด่นชัดในจิตในใจ เห็นความสงบเห็นความปล่อยวางเรื่องชิเลศตัณหามานาชิดคิดต่างๆตกออกไปแล้วท่านไม่มีความคิดหยุ่นเกี่ยวกับเรื่องรูปเสียงกิ่นรสสัมผัสภายนอกเพราะท่านเห็นความเย็นความสบายความอาศัศจรรย์ของใจที่ไปสงบปล่อยวางจากชิเลศตัณหานี้มีคุณค่าเหนือกว่าทุกสิ่ง ทุกอย่างในโลกท่านจึงอยู่ได้ตลอดชีวิตของท่านและนําธรรมที่อัศจรรย์ซึ่งเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติของท่านมาประกาศสอนพุทธบริษัทผู้เชื่อมั่นในอัตธรรมของท่านต่างหน้าต่างจารักษาจิตประพฤติปฏิบัติตัวละชั่วบัมเพนดีจนเห็นจนเป็น ในจิตในใจของตนก็มีความสุขความสบายอย่างทันว่าไม่มีข้อไหนที่จะค้านว่าเรื่องความสุขของใจนั้นเป็นของเหลวไหลไร้สาร ะ, ะไม่เคยมีอริยสาวกองใดท า, านธรรมะที่พระพุทธเ จ, จ้าสอนเพราะธรรมะเป็นของจริงของดีของดีเศษ ข, ของมีคุณค่าใครเห็นใครเป็นในใจของตนแล้ว คนนั่นจะเชื่อมั่น <c oughs> ในอัตในธรรมตลอดเวลาจากนั้นพวกเราท่านในสมัยปัจจุบันก็มีโอกาสเวลาที่จะประพฤติปฏิบัติรักษากายวาจายใจท้องตนให้เข้าสู่อัตธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าหรืออริยสาวกปรินิพานไป ธรรมะที่ท่านรู้เห็นหนั้นนั้นท่านเลยลื้อฟึ้นหอบหิวหาบหามไปนิพพานหมดความจริงความบริสุทธิ์ของท่านเป็นของท่านแต่ธรรมะที่ท่านรู้ท่านเห็นท่านเลยหอบหิวหาบหามไปเพราะท่านปฏิบัติอย่างไรท่านก็ยังแนะนเอาไว้ผู้ปฏิบัติทำ ในปัจจุบันทุกวันนี้ผู้ต่างหน้าต่างตาก็่ทำบาเพ็ญจริงจังท่านก็ยังเห็นยังเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าศาสนาหมดการหมดเวลา <c oughs> ธรรมะเป็นอาการลิโกคือไม่มีการมีสมัยใครตั้งใจประพฤติปฏิบัติคนนั้นจะเห็นจะเป็นจะสุขจะเย็นในตนของตนแต่นั้นพวกเราท่านที่อุตสาห์ดันดลมาจาก ทางไกลแสนไกลตั้งใจจะมาสะดับรับฟังธรรมะมาปฏิบัติกายบายใจใจของตนให้สงบระ ง, งับดับกิเลสตัณหาชั่วการชั่วเวลากว้จังดีถ้าหากประพฤติปฏิบัติได้เพราะจิตใจนั้นมันมีวันมีเวลาไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเว้นจะหลับสนิทมันคิดมันปรุงอยู่ ตลอดระยะมันไม่เคยพักผ่อนไม่เคยสงบให้เมื่อมันไม่ได้พักผ่อนไม่ได้สงบในตัวของมันมันจึงไม่มีกำลังที่จะขับไล่เรื่องวิเลตปัญหามานะทิชิออกไปมีแต่สะสมเรื่องต่างๆนานาเข้ามาทับถมจิตใจอยู่ตลอดเวลาเมื่อเรามาถึงวัด มาปฏิบัติกายใจจึงแนี้นสอนให้ปล่อยทิ้งสัญญาอารมณ์อดีตก่าตามอนาคตก่าตามปัจจุบันก่าตามอย่าไปคิดไปตรุงเรื่องต่างๆเพราะทุกอย่างมันสงบหมดสถานที่เดียวนี้ก็ไม่มีอะไรจะรบกวนจิตใจเรานอกจากความปรุงของใจสัญญาอารมณ์เท่านั้นจงพากันระ ง, งับขับไล่ เรื่องสัญญาอารมณ์ออกไปทําใจให้เย็นทําใจให้ใสงบไม่อย่างนั้นจะไม่เห็นผลในการประพฤตปฏิบัติของตนเมื่อไม่เห็นผลก็เกิดสงสัยว่าธรรมะเป็นโมฆะหาสาระนี้ได้ควารรมจริงแล้วธรรมะไม่เคยเป็นโมฆะสําหรับผู้ประพฤติปฏิบัติเป็นโมฆะแกจคนที่ไม่ต่างหน้าต่างตาแต่ทํา ม, มัมเพน เขาไม่เห็นเขาไม่รู้เขาก็ถือว่าธรรมะไม่มีคุณค่าไม่มีสาระถ้าเขาเห็นเขารู้เขาจะกล่าวตู่เรื่องธรรมะไม่ได้เพราะมันเห็นมันเป็นในใจของเขาแต่นั้นเราทุกคนสึ่งมีหน้าที่จะปฏิบัติขับไล่เรื่องกิเลสตัณหาออกจากใจกอพากันกำหนดพินิพพิจเลนะรักษาใจของตน อย่ากังวลกับเรื่องอื่นทั่วไปให้ใจอยู่กับบทพุทโธให้พุทโธอยู่กับใจเมื่อพุทโธอยู่กับใจใจอยู่กับพุทโธนานเข้านานเ ข, านานเขา้าความสงบรวงรวม้องใจจะปรากฏขึ้นซึ่งเราไม่เคยเห็นเคยเป็นมาก่อนแตความสงบนั้นมันอัศัยการแช่ไหนถ้ามันเป็นมันเห็นในใจิตในใจแล้วเราจะเชื่ออยากจะประพฤติปฏิบัติโดยไม่ต้อง บังคับบัญชาว่าไปปฏิบัติปฏิบัตินะไปปฏิบัติปฏิบัติแล้วจะได้ผลอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องบอกต้องกล่าวกันเพราะเราเห็นเราเป็นในใจเราเชื่อเราเหลื่อมใสอยากจยากจะทําให้เห็นให้เป็นให้รู้อีกรสชาติของอัดของทำนั้นท่านจึงว่าเป็นรสชาติที่ประเสริฐกว่ารสทั้งปวงบรรดารสมีอยู่ในโลกนี้ไม่มีรสอะไรที่จะวิเศษ ได้เสด็จไปกว่ารถข้องธรรมผู้ที่ได้ดืม่มรถข้องธรรมท่านจึงไม่หลงไหลใฝ่ฝันกับรถเรื่องอื่นซึ่งนอกจากทำไปเป็นจนว่ากามอารมณ์ซึ่งสัตว์และบุคคลทั่วไปติดใจกันอยู่ทั่วโลกแต่เมื่อมาประพฤติปฏิบัติไปดื่มรถข้องธรรมแล้วจิตใจจะปล่อยวางละถอน คามติดข้องเหล่านั้นให้หมดไปเพราะใจได้ดื่มรสท้องทมถึงเป็นรสประเสริฐดีเสตความยินดีอะไรจะยินดียิ่งกว่ายินดีในธรรมก็ไม่มีอีกเหมือนกันแต่นั้นผู้ที่เห็นอาจเห็นธรรมโดยการประพฤติปฏิบัติท่านจริงอยู่ในศาสนาประพฤติปฏิบัติกายวาจใใจคองตนอย่าง สงบเงียบสบายเย็นคนอื่นเห็นก็รู้สึกว่าสบายตาเมื่อพิจารณาในตัวของถันก็สบายใจเ่าไม่มีอะไรที่จะก่อควรให้คนที่ติไปเห็นเกิดทุกข์ทกต่างๆฉะนั้นการปฏิบททัติธรรมจึงจำเป็นหมายว่าคารวะาหรือบรรพชิต จะต้องตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติรักษาเพราะธรรมนี้เป็นของกลางคือจะต้องปฏิบัติปฏิบัติได้ทั้งคารวะและบรนทึกไม่เป็นสมบัติของใครเป็นสมบัติทั่วไปถ้ากผู้ใดตั้งใจปฏิบัติปฏิบัติคนนั้นจะได้รับความสงบสงัดรู้เห็นเย็นสงบขึ้นในตัวของตัวหนีเรื่องของธรรม เป็นอย่างนั้นแต่พวกเราท่านยังไม่เคยเห็นเคยเป็นเคยเย็นเคยสบายเห็นแต่วัตถุภายนอกเป็นของดีมีคุณค่ามีสาระอย่างนั้นอย่างนี้เพราะเราเองยังไม่เคยคนคิดพิจารณาเรื่องของธรรมจริงจังก็เลยไปติดข้องในของเหล่านั้นส่วนของเหล่านั้นความจริงแล้วมันมีมาแต่ไหนแต่ไร เราหามาได้ก็หาได้มาจากของมีอยู่เก่าก่อนนั่นเองแล้วคนที่ลืมหลงในของเหล่านั้นไม่วันใดกววันหนึ่งจะผิดหวังเพราะของเหล่านั้นมันเป็นอนิจจังคือแปลปวนเปลี่ยนแปลงไปตามเรื่องของมันของของโลกไม่มีใครที่จะมีกรมมสิทธิ์หอบหิวหาบหามไปได้แต่การแสวงหาก็เพราะว่า เราจำเป็นเมื่อยังมีชีวิตอยู่จะต้องใช้สอยของเหล่านั้นถ้าไม่มีก็ลำบากอยากอยู่ในการเป็นอยู่ของตัวแต่นั้นจึงสแสวงหาเมื่อแสวงหามาได้จิตใจที่มนมีอัตธรรมก็หลงไหลใฝ่ฝันในของนั้นว่าของของตัวยึดมัน่นถือมัน่นอยู่ตลอดเวลาเมื่อเขามากล้นจี รักขโมยไฟหรือของนั้นติดหายไปด้วยลมด้วยไฟด้วยน้ำต่างๆเราก็เกิดความเสียใจเป็นธรรมดาอยู่อย่างนั้นแต่เรื่องของอัตทรมนั้นผู้ประพฤติปฏิบัตรท่านไม่เต็มอย่างนั้นท่านเห็นว่าของเหล่านั้นเป็นของของโลกเราแสวงหามากบอฟอกก่เพราะ จำเป็นในชีวิตแต่ต้องหนุงต้องหม่มต้องอยู่ต้องอาศัยต้องใช้ตช้องสอยต่างๆแต่เนื่อเราหมดลมไปแล้วของเหล่านี้ก็ไม่มีคุณค่าสาระอะไรสำหรับคนที่จะไปโลกใหม่เพราะของเหล่านี้เป็นของของโลกหอบผิวหาบหามไปไม่ได้ คนยังหลงว่าของเหล่านี้เป็นของ้องตนยึดมั่นหัาใจผิดว่าสิ่งเหล่านี้เราหามาได้เท่าไรก็จะเป็นของของเราตลอดไปไม่ว่าจะไปเกิดใหม่ชาติไหนของเหล่านี้ก็จะติดตนตามตัวไปถ้าคิดอย่างนั้นมันก็ลำบากหนีไปไม่ได้ยุงเกียวกับสมบัติพัฒถานอยู่เรื่อยการพิจรารณาเพื่อแจก ไขจิตใจที่หลง น, นั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องพิจารณาสพื่จแกไขเพราะใจมันคลองติดคิดแวะในของต่างๆด่านวัตถุอยู่เราจะข่อยพิจารณาไปพิจารณาไปหากว่าวัตถุเหล่านี้คนที่เขาหามาได้เขาหอบหิวหาหามไปคนที่ตายไปแล้วเกิดมา ก่อนเรานับจำนวนแสนจำนวนล้านไม่ได้เขาจะหอบหิวหาหามไปแม่ที่วบินที่เราจะนั่งจะอาศัยก็คงไม่มีเพราะเขาเคยจับจองเอาไว้เป็นสมบัติของเขาแล้วเขาจะหอบหิวไปหมดนี่ไม่เป็นอย่างนั้นเราหลงก่าทำนองเดียวกันกันกบเขาไม่มีวันเวลาที่จะเอาไปได้แม้ร่างกายของเราผมเส้นเดียวขนเส้นเดียวเราจะเอาไปอีกก็ไม่ได้ นี่คือสมบัติของโลกแท้ๆม่มีใครที่จะมีอำนาจวาสนาถือไปได้นำไปได้อะไรที่นำไปได้ทางศาสนาแทานกับสอนวัตกรรมคนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้เหตผลมีกรรมเป็นแดนเกิดกรรมก็คือการกระทำทำดีเรียกว่ากรรมดีทำชั่วเรียกว่ากรรมชั่วกรรมทั้งสองอย่างนี้แหละ เราจะต้องเลือกเฟ้นกรรมใดที่เป็นกรรมชั่วถึงตัวไม่ปรารถนาอย่าไปกระทำเพราะทำแล้วกรรมนั้นจะให้ผลเกลตนกรรมใดที่เป็นกรรมดีกรรมนั้นถึงจิตใจของพวกเราท่านไม่ชอบอยากจะทำก็พยายามทำเพราะกรรมดีเท่านั้นจะให้ผลเกลตนมีความสุขความสมหวังในพครั้งหน้า หมายถึงว่าผู้ยังเวียน่ายตายเกิดยังไม่หมดกิเลสตัณหาจะต้องอาศัยกรรมที่ตัวทำเป็นผู้นำพาไปสู่ภพชาติข้างหน้าเราจะพอพิจารณาได้ตามความจริงของมันกรรมนั้นมันเป็นของจำแนกแจกสัตว์ให้เป็นไปต่างๆนานาจะเปะน็นเร็วซามก่เพราะกรรมที่ตัวทำไว้ ไม่มีใครในโลกป่าถนาอยากจะเป็นคนั่วช้าลาโมไม่มีใครในโลกป่าถนาอยากจะเป็นคนอดอยากยากจนไม่มีใครในโลกป่าถนาอยากจะมีอวัยวะในสมประกบแต่มันก็เป็นไปด้วยอำนาจกรรมที่ตัวทําไว้แกะไขไม่ได้จะมียุกมียามีหมอรักษาขนาดไหน นั่นก็รักษาไม่ได้ถ้าเป็นเรื่องของกรำเจริงจังเช่นตาบอดมาแต่กำเนิดก็ไม่มีวันมีเวลามีหมอที่ไหนจะมารักษาหาหายแขนด้วนขาด้วนถึงจะทําใหม่เตยมขึ้นมันก็ไม่เหมือนของเดิมนี่คือจำเจียงเหล่านี้ผู้ที่เขาเป็นอย่างนั้นเขาไม่ต้องการเขาไม่ปรารถนาอยากจะให้ตาของเขาบอกอยากจะใ ห, หูของเขาหนวกอยากจะ แขนของเขาขาดขาของเขาขาดถึ่งเดือนมาแใจกําเนิดมันมีใครป่าถนาดิดามานดาเล่าเขาก็ไม่ยินดีอยากได้ลูกเหล่านั้น <c oughs> อย่างนั้นแต่กรรมของสัตว์มันจําแนกแจกให้อย่างนั้นเมื่อมันเป็นอย่างนั้นสิ่งที่เราไหมปราถนาสิ่งที่ชั่วชา้าเสียหายเราอยากคิดอยากปรุงไปกระทำเมื่อทําแล้ว สิ่งที่ชั่วช้าต่างๆนานาที่เราทำไปนั้นนั่นจะที่ดอออกผลให้เราเองเป็นผู้รับผลคนอื่นจะมารับแทนเราไหม่ดัเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ทำแท้ๆกรรมชั่วเสียต่างๆจึงควรกลัวไม่ควรจะทำกรรมดีส่วนใดซึ่งเป็นทางดีเราต้องพยายามทำ ให้เกิดให้มีขึ้นเพราะกรรมดีเท่านั้นจะนําความดีมาให้พบชาติทางหน้าถ้าคนมีกรรมดีนั่นต่อเด้เกิดในสถานที่ดีตระกูลที่ดีมีสติปัญญาดีมีสมบัติเข่าของสมความป่าถนาของตัวเพะกรรมดีที่เราทําไว้สนับสนุนให้ทุกคนเกิดมา จึงไม่เหมือนกันเพราะกรรมต่างคนอยากจะเกิดในตระกูลที่มีสมบัติแต่ก่อนมันเกิดไม่ได้เพราะกรรมของตัวมันไม่ถึงบุญของตัวไม่ถึงฝูดนแหงนเช่นคนมีเงินนิดหน่อยอยากจะไปซื้อรถยนต์รถไฟกับเขาแต่เงินของเขาไม่พอเขาก็ซื้อไม่ได้อยากจะกินอาหารที่ มีรสขาดิอเร็ดอร่อยแต่เงินของตัวมีเม็นพอเขาก็ไปขายให้เขาก็ไม่รับทานไยอดอยาอยู่ตามกรรมของตัวมีการเกิดก่าทำนองเดียวกันผู้ที่ได้เกิดดีมีความสุขก็เพราะกรรมของเขาสะสมเอาไว้ทั้งช่าง ท, ทุกคนกราถนาอยากจะไปเกิดในสถานที่ดีแต่กรรมดีของตัวไมนเพียงพอบรอิบูรณ์จำเป็นจะต้องไปเกิดในสถานที่ต่าที่ชั่ว สิ่งตัวต้องตัวในศาสนาแต่เรื่องเหล่านี้คนเกิดทั่วไปในทราบว่าจะได้เกิดที่ไหนจึงเลือกหาเอาไม่ได้ด้วยยุนกันีิเขาทำไว้จะนำพาไปสงควรจะพบชาตที่ไหนต่อไปที่นั้นกรรมมันบง่งบอกและติดตาม คนพูดทาอย่างนั้นแต่นั้นพวกเราท่านที่เกิดมาเป็นมนุษย์พอพระพุทธศาสนาและมีอวัยวะสมบูรณ์ <c oughs> ทุกอย่างจะเป็นหญิงก็สมบูรณ์ในเพศของหญิงจะเป็นชายก็สมบูรณ์ในเพศของชายนี่ก็คือกรรมของพวกเราทําไว้กรรมดีที่สร้างไว้อวัยวะต่างๆจึงสมบูรณ์ <c oughs> เมื่อเราทราบว่ะกรรมดี มีผลแต่ตนอย่างนั้นกอพาการสะสมกรรมดีเอาไว้อย่าไปคิดว่าตายแล้วจะไม่ได้เกิดเราจะปฏิเสธอยู่จนคอขาด ก, กอดตามถ้าหากเรายังมีกิเลสตัณหาอยู่ในจิตในใจของเราจะปฏิเสธว่าตายแล้วไม่เกิดอีกมันก็เกิดอยู่วันยังคำ่ำเพราะ วิเลตัญหาเชื่อของการเกิดมันยังมีอยู่ถ้าหางหมดกิเลตัญหาไปเมื่อไรภายในใจของเราได้ไปเพื่อปฏิบัติอาชธรรมสมบูรณ์ละถอนพิ่งที่ข้องจิตจิตรุงต่างๆจนจิตบริสุทธิ์เป็นวีมุตดไปจากแก้งในจิตในใจของตัวต่พบธาตุหน้าของเราจะมีอีกหรือไม่ใจมันขาดตัดพบธาตุโดยการ เราพืช ป, ปฏิบัติอาชธรรมไปจักในจิตของตัวแล้วคนนั้นจะว่าจะได้เกิดอีกอย่างคนอื่นนั้นมันไปเกิดอีกไม่ได้เหมือนกันกับพืชพันต่างๆเราเอาไปเผาไฟเอาไปนึ่งไปต้มจนมันสุกแล้วเป็นต้นว่กข้าวกว่อตามงาก่อตามตั่วก่อตามหรือพืชต่างๆ เราจะเอาไปหวานลงให้สถานที่ใดถึงดินนั้นจะเป็นดินที่สมบูรณ์โดยปุ๋ยโดยน้ำมันก็ม่มีวันที่จะงอกขึ้นเพราะถืชพันนั้นมันตายหมดเชื่อที่จะเกิดแล้วจิตใจของท่านผูป้ปฏิบัติอาจทมในทางศาสนาท่านก็ทราบในตัวของท่านเหมือนกันเราพบขาดของท่านหมดไปทางธรรมสันติว่าวุฒิตังคล ม, มจะริยังก ต, ตังกรณียัง คือเส็จจิตที่จะละจะบำเพ็ญไม่มีจิตใดที่จะยิ่งกว่านี้หมดในการละการบำเพ็ญในการเกิดการตายทาบปรจา์ในจิตของท่านเป็นปัจจจสังทิ้งท่านจะไม่ประกาศแก่คนอื่นท่านก็ทราบอยู่ในตัวของท่านผู้อย่างนั้นจึงไม่มีภบขาดอีกต่อไปแต่พวกเรา ถึงมีกิเลดตัญหายังยังต้องก่อพบก่อชาติอยู่เรื่อยไปพบชาติคือจะดีหรืเศียึ้นได้ก็ออาศัยกรรมดีสนับสนุนฉะนั้นกรรมดีจึงควรจะทำบำเพ็ญให้จิตหายใจของเนได้รับความสุขในพบถาต่สอบไปกรรมดีนั้นทางศาสนาก่อสอนเอาไว้ หลายอย่างหลายประการที่จะควรกระทําเป็นจนวัดทานศีลภาวนาหนูเป็นหัวข้อย่อๆหัวข้อใหญ่ในการทําความดีทานก็คือการเสียสละสมบัติของของที่เราหามาได้ด้วยความสุจริตให้ทานอยาจกวันนี้พวกคนขอ้อคนข้อเขาให้เขาได้รับความสุขความสบาย ก็เป็นบุญเป็นกุศลหรือจะให้แจ่ลีดามันดาหรือครูอาจารย์เป็นการบูชาท่านนั่นก็เป็นบุญเป็นกุศลอีกเหมือนกันเราพอให้ได้ทำได้เราทำไปเมื่อเราทำไปเสียสละไปจิตใจที่ยอมเสียสละให้ทานนั้น เราละลึลกนึกขึ้นเมือ่อใดจิตใจของใยจิตใจเยือกเย็นวัดคนนั้นเราก็เดยเคยต้องเคาะคนนั้นเราก็เคยได้ทำบุญบูชาคุณของท่านจิตใจมันเยน็นมันสบายแล้วพวกจได้รับการชงเคาะชงหาจากเราเขาเหล่านั้นเขาก่อเขารัเหลื่อมใสยินดีเป็นใจในเป็นไทยเป็นเวนต่อเราเพราะเรา ทำถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทานจึงจนมหาเสน่ห์ในปัจจุบันคนที่ให้ทานทําการกุบสนไปสถานที่ใดในอดอยากอยากสนมีคนเมตตาดูแลรักษาแต่คนแตนีเนี้ยแน่นไม่เคยทําบุญสืบทานอะไรคนนั้นแหละไปสถานที่ใดไม่มีใครอ ย, อยากจะสงเคราะห์อสองหาเพราะเขาในรักการสงเคราะห์จากเรา คนที่เคยอยู่ใกล้ชิดกับเราเขาก็เบื่อน่ายคนที่อยู่ห่างไกลเขาก็ไม่มีคามสงสารการให้ทานจึงเป็นเรื่องจำเป็นอันหนึ่งโลกจะอยู่ได้ก็เพราะการให้ทานพระพุทธศาสนาจะตั้งมั่นมาได้ก็เพราะอาศัยการให้ทานของชายยกชายยิ่งาบำรุงรักษาเพราะปลาเนรในเดชธรรมไร่ทำนาห้าขายทำราชการอะไรอาศัย ผู้มีศรัทธามำวงรักษามองขอทรงหาโดยวัตถุต่างๆเพราะพระขอในใจพระพุทธรูปจึงจะอยู่อย่างสะดวกสบายได้ขาดของผันมีขันของผันมีการหนึ่งการหอมก็ต้องหนึ่งต้องห่มเหมือนกันกับคารวะการครบการฉันก็ต้องครบขันเหมือนกันเมื่อท่านในมีทั้งหนึ่งห่มปกปิดอวัยวะร่างกาย ในมีขี่พักษี่อาศัยใน ม, มีอาหารการบริโภคต่างกายอันนี้มันก็อยู่ไม่ได้ทนไม่ไหวจะเดินจง ก, กรมภาวนาศึกษาเราเรียนอะไรมันก็ไม่มีกําลังที่จะทําได้ดังนั้นทานการให้จึงเป็นเรื่องบํารุงศาสนาอันหนึ่งาขาดการให้ทานศาสนาพระเนร์อยู่ในวัดในวา ก็อยู่ไม่ได้ไหลพระไหลง่ายจะตายไปเียังจะติดหมอกข่าวหมอกแจงเท่านั้นท่านก็อยู่ไม่ได้ที่ไหนพราะใดอยู่ใดฉันท่านก็จะไปที่นั้นเพราะไม่มีอาหารจะเลี่ยงหลางกายจะเดินจงกรมภาวนาทํำไม่ได้